ควมเย็นเยนเนะเย็นก็เดินเย็นเกินไปร้อนเกินไ ป, เ, นไปเป็นไหมอยองเป็นก็ไม่ไม่ได้มากเกินไปค่ะแล้วนี่พวกธาตุาลมธาตุลมมันจะมีพยุงกับผักดันบางทีมันจะอัน้นตามร่างกายตามจุดนะบางทีมันจะมีวิ่งผักผักตลอดเวลาแล้วผักแรงด้วยใช่ไหมตามร่างกายตามจุดจิตใจเช่นตามท้องตามลำไส้ตาม ผิวกายตามอะไรมันมีหมพวกนี้ระบบก็ไม่ดีสิคะลมวิ่งมันบางทีมันก็ผักผักมากเดินไปปวดศีษรษะเลยก็ได้แต่บางกลุ่มกลุ่มธาตุดินธาตุดินคุอว่ากลุ่มธาตุหนักเอ้ยเบาเอ้ยประเภทที่แข็งอ่อนอยาบ เ, เรียบอะไรเงี้ยแล้วก็กลุ่มธาตุน้ําก็กลุ่มพวกไหลพวกเกาะกลุ่มเออคลุมเนี้ยพระก็ต้องชํานาญเรื่องธาตุนะเนี่ย แต่เรื่องรถนี่การที่เอาลิ้นไปสัมผัสกินปังก็จำทำพรเลือกไม่ได้เลยใช่พรก็ต้องมาพิจารณาหลักการนการที่พระพิจารณาชาวบ้านกินยังไงเราก็ต้องอยู่ได้ เพราะว่าเราไปบอกว่าโยมเผ็ดเกินไปนะวันนี้ไม่ได้แล้วยอ ม, ม, มอร่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้เลยมันมันก็อร่อยได้นั่นแหละแต่ก็ไม่บอกยม <c oughs> ไก็ไม่บอกบอกไม่ได้จริงจริงบอกได้ใช่ไหมแต่ว่าเปี๊ยแต่ว่าท่านสอนให้กินด้วยปัญญาวิธีที่จริงที่กินค้าเนี่ยไอ้คาว่าปัจจะยสันนิสิตาสีนี้ย ศีลที่มีปัญญาเป็นตัวเป็นตัวเข้าไปวิจัยแยกเ็ๆเวลาจะกินอะไรเนี่ยพาให้รู้ประโยชน์ครับท่านขับนี้ไปที่ประโยชน์ว่ากินส่วนนี้ไปแล้วมันจะทําให้ธาตุดินมันหรือธาตุน้ํามันมากเกินไปธาตุลมมันมากเกินไปธาตุไฟมันมากเกินไปดินน้ําไฟลมมันจะได้ดุนยาภาคหรือไม่กินอาหารทุกเภศ น, นี้เข้าไปหรือกินอาหารทุกเพศอย่างเงี้ยกลุ่มธาตุร้อนกลุ่มธาตุเย็น หรกลุ่มประเภทอาหารประเภทไหนเนี่ยนะมันจะทําให้ร่างกายเราเสียดุนยภาพพอร่างกายเสียดุนยภาพแล้วมันจะเป็นปัจจัยต่อการเจริญสีเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้ไม่ดีเลยวันนั้นเหยี่ยผ้าก็จะต้องระมัดระวะังผ้าก็ต้องกินด้วยปัญญาตรงนี้ท่านให้ขับเน้นที่ปัญญาไม่ได้ขับเน้นว่าชอบหรือไม่ชอบอ <c oughs> <c oughs> ย่งางวกเราจะเอาชอบหรือไม่ชอบเป็นตัวตั้งใช่ไหมอันไหนชอบชอบแล้วกินมากไม่ชอบแล้วก็กินน้อยไม่ใช่ บางทีของที่ชอบไม่เป็นประโยชน์ทนก็ไม่กินของที่ไม่ชอบแต่ไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องกินไม่เอาไม่เอาความรู้สึกแต่เอาตัวปัญญาตัวความรู้ความเข้าใจไปเป็นตัวจัดแจนอย่างนี้เขาจกศีลถ้าพาาักขาดขาดศีลข้อนี้หรือไม่ได้พิจารณาข้อนี้ยอ่ถูกต้อง ถ, ถูกประหลักผิดผิดบัญญัติที่พระเจ้าบัญญัติแั้นเวลาจะกินอะไรเนี่ยพักก็ต้องฝึกหลยแต่ก่อนธรรมะ ก่อบวชมาก็อยู่ความรู้สึกเอาชอบหรือไม่ชอบเป็นตัวตั้งแต่พอบวชมาพบพระเจ้าบอกว่าไม่ได้นะต่อไปคุณอยู่ด้วยความรู้สึกไม่ได้คุณต้องอยู่ด้วยความรู้ก็คือต้องใช้ปัญญาเข้ามาวิจัยว่าอาหารนี้กินเข้าไปแล้วกุศลมันเจริญดีหรือไม่นั่นส่วนหนึ่งก่อนนะสองก็คือเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่เป็นบางครั้งมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่กินเข้าไปแล้วโอ้วันนั้นนอนทั้งวันเลย มันอึดมันอืดอัดทั้งวันหรือมันรู้สึกเดินศีลสมาธิปัญญาได้ไม่ดีเลยอันนี้ก็ไม่ควรก็ไม่ควรกินมากเป็นไปกินแค่ไหนอย่างไรกับการใช้ใช้ปัญญา <c oughs> มันจะพอดีไม่เท่ากันเนะี่ยมนุษย์เราไม่เท่ากันหรอกแล้วก็จํานวนปริมาณอาหารก็ไม่เท่ากันงั้นคาว่าโพชเนมตันยุตาเนี้ยรู้จักประมาณเนี่ยในการกินใช่ไหม เคยได้ยินค์นี้ไหมโพชเนมตันยุตตามัตตสามแปลว่าประมาณประมาณในการบริโภคถ้าพูดให้ไพเราะหน่อยนะถ้าแปลอย่าจะมาเนี่ยมาแปลเป็นประมาณนึกจะประมาณในการกิน <c oughs> น, กนี่ชัดมีไหมนึกจะประมาณในการกินเพาว่าประมาณในทีน่นี้ก็คือว่าสมมติยมยมมีประเภทร่างกายอาหารอะไรที่ทําให้ร่างกายเกื้อกูลไม่ให้เกือคืน นี่ส่วนหนึ่งก่อนนะทีนี้มาเกือ้อคูลต่อร่างกายแล้วเนี่ยบางครั้งมันเกือ้อปูลมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ด้านนมามธรรมด้านจิตใจไม่ก็เป็นประโยชน์พอได้อาหารประเภทนี้ขึ้นไปทีไรแล้วรู้สึกมันมันร่าเราะเนี่ยมันมีพลังมากเกินไปก็เห็นนะ ม, มันมีพลังบางครั้งก็มันอึดอัดเลยถ้ากินอาหารประเภทนี้เข้าไปไม่กระตือรือเลยอยากจะ น, นอนอยากจะอะไรเงี้ยอาหารประเภทนี้ก็ไม่ไม่ดี อย่างเงี้ยพระก็ต้องพิจรารณาลักษณะเป็นอยู่ยากไหมนะบวช <c oughs> ยากไหอยากครับเออประเด็นมันอยู่ว่าระหว่างกินอาหารด้วยความรู้สึกกับกินอาหารด้วยความรู้เนี่ยอันไหนจะมีอันไหนจะทําให้เราได้ความสุขมากกว <c oughs> ่ากันถ้ะไรจะให้ความสุขมากกวัน <c oughs> ถ้าถ้าเราใช้เสื้อผ้าเป็นบาลานแค่ เขเอกซ้อสไปะี่เข้าใจแต่ว่าถ้าังรู้สึกมันจะไม่ดต่างกนะถ้าังรู้สึกก็้พูดน่าจะผอมนไม่ะรารู้สึกอยนี้แต่ไม่ผอมต้องนีต้องไปเขียนติดติดข้างฝาเอาไว้าะรู้หมดแต่อดไม่ได้ ก็รู้ทุกอย่างเลยรู้หมดแต่อดไม่ได้แล้วทำไมเป็นอย่างนั้นนะทําไมรู้แล้วทําไมอดไม่ได้เพระอมันรู้หลายอย่างรู้ด้วยสัญญารู้จําได้ใช่ไหมก็รู้ด้วยจิตรู้กับรู้ด้วยปัญญารู้ <c oughs> ไม่เหมือนกันเนี่ยรู้ด้วยสัญญารู้จําได้เล่าม่ดีบุหรี่ไม่ดี การพนันไม่ดีการเที่ยวตีลักไม่ดีอาหารเวทนี่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์เหมือนหมอเนะี่ยรู้หมดอธิบายแต่พอแอบแอบไปแล้วขอกินมะงือ <c oughs> เนี้ยเนี้ยรู้รู้ได้สัญญาเนะี้ยความจําำนะแต่รู้ได้จิตรู้ก็เข้าไปรู้เข้าใจตามที่ตามที่สัญญาบอกก็เข้าไปรู้แต่ละเรื่องนึงแต่ถ้ารู้ได้วปัญญารู้เนี่ยมันไปรู้เป็นเจอบทะรูทะลวงแล้วเข้าใจ เข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจว่าเอาสิ่งนี้เข้าไปแล้วมันจะมีผลกระทบระยะหนึ่งสองสามยังไงมันจะมีผลระยะสั้นระยะยาวยังไงมันเห็นหมดเนี่ยมันเหมือนเส้นทางที่เราเดินไปถ้ารู้ว่าเราขับรถไปพวกมันจะตกเหวแล้วโอกาสตกเหวสูงโอกาสอุบัติเหตุสูงแต่ไปช่วงนี้ทางนี้มันโค้งยังปลอดภัยเออมันมันมันมันมันไปช้าหน่อยมันจะเลือกยังไงมันก็เลือกไปช้าใช่ไหมเพราะรู้ไงไม่อยากเสี่ย นี่มันการอาหารก็ดีของใช้ไม่ต่อยก็ดีทันถ้ารู้แบบปัญญารู้เนี่ยมันรู้แล้วมีความสุขนะมีความสุขใหม่เนี่ยมันรู้สึกว่าแอบนะบางทีเราขอกินอาหารที่เราชอบหน่อยเธอหน่อยเธอไม่สมีความสุขใช่าหม ไอ้อย่างนี้กินแล้วมู้สึงมันฝืนความรู้สึกเราอยู่อย่างนี้ก่อนแต่พอพัฒนาปัญญามากขึ้นมากขึ้นปุ๊บเอ๊ะมันกินแบบนี้มันมีความสุขมันสุขที่ได้เห็นคุณค่าได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็ได้เห็นคุณภาพชีวิตที่มันดีอยากจะไปกลับกินเนตตามความรู้สึกมันไม่เห็นสาระนิดเดียวไม่เอาดีกว่ามันสุขแป๊เดียวแป๊บเดียวไม่อยากอยู่สุขระยะสั้นมันอยากอยู่สุขระยะยาวแล้วก็สุขถาวรสุขที่มีความสุขอย่างอยลึกซึ้งเริ่มมันจะเริ่มคิดออกเริ่มเป็นที่ยัง เนี่ยต้องพัฒนาไปให้ได้แล่ใครตอบเน้อเนี้และนมันถ้ามันพัฒนาตัวนี้ให้ตัวปัญญาในี้เข้าไปรู้แล้วมันจะเออมันสุขพอรู้เนี่ยมันสุขยาวมันสุขเลื่อยเรื่อถ้าเราได้เห็นได้ได้เข้าใจยิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่ในเรื่องนั้นนั้นเนี่ยมันจะมีความสุขที่ได้รู้ แล้วมันจะอึดอ <cheated. S 2> right? ัด <niño> ท <surgeries> <Haw> ี่ไม <perdu> ่รู้อาจจะเรารู้ว่าเพื่อนหรือเราคบกับใครก็แล้วแต่เราไม่รู้เลยเจ้านี้มันไปทำอะไรอึดอัดไหมเพอไปรู้ว่าเขาทำอะไรแล้วอึดอัดอีกเหมือนกันไหมถ้าถ้าความรู้สึกมันจะมีถ้าความรู้สึกเนี้ยยกตัวอย่างนะถ้าเราความรู้สึกไปจับเนี้ยเราก็อึดอัดในที่เราไม่รู้ไอเจ้านี้แอบไปทํำอะไรและในขณะเดียวกันพอไปรู้ความจริงก็อึดอัดอีกมันทําได้ยังไงเนี้ยแต่ถ้าปัญญามัไม่อย่างไง ถ้าปัญญาจะมาพิจารณาเรื่องเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องดูดูดูเหตุทูผลเอามายกตัวอย่างนี้ดนะูว่ามีมีคนคนหนึ่งสา ม, มีนี่นี่พูดจริงยกยกยกมาอีกแค่ตัวยาสา ม, มีเนี่ยเป็นมีมีภรรยาเขาบอกมีภรรยาน้าายานนอยก็คือมีภรรยามากอะไรแต่ล้นมกเขเรียกลูกภรรยา ทีนี้พอไอ้ตัวภรรยาเนี่ยเขาก็าเขาเขาเป็นคนที่ใหม่ๆประทุ้นะเขาก็เขารู้แล้วแต่ไอ้เจ้าผู้ชายก็แอบไม่พูดความจริงนะเขาภรรยาเขาเลยมาศึกษาธรรมพอมาศึกษาธรรมะเนี่ยก็ไปได้รู้เรื่องหนึ่งเนรู้เรื่องหนึ่งของมีในสมัยขงเบอร์การในสมัยขงเบอร์การ ม, มีมีอุบาสิกาท่านหนึ่ง มีสามีเป็นเศรษฐีตัวเองก็มีฐานะด้วยแต่ตัวเองนับถือพุทธเจ้าในช่วงเข้าภาษาเนี่ยตัวเองมีความต้องการอยากได้ที่มลพุทธเจ้พร้อมได้พระสงฆ์เนี่ยห้าร้อยรูปมาทุกวันทีตัวเองก็จะต้องดูแลใช่ไหมดูแลทุกวันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยตัวเองก็ไม่สามารถจะปฏิบัติสามีได้ดีก็เลยไปคุยต่อรองกับสามีบอกว่าเออมีนางงามจักรวาลอยู่คนหนึ่ง เขาสวยมากแต่แต่เขานางในสมัยขั้งพุทธการเนี่ยใครที่เป็นนางงามจั ก, กรวาลเนี่ยก็จะเป็นไงรู้ไหมเขาจะมีข้อตกลงร่วมกันนะห้ามแต่งงานคนที่สวยที่สุดเนี่ยแต่ถ้าใครต้องการจะไปอยู่ไปประมูลเนี่ยจะต้องอยู่จะต้องไปประมูลมาได้เมื่อประมูลแล้วเนี่ยจะประมูลได้หนึ่งเดือนสองเดือนอะไรก็แล้วแต่แต่ห้ามเอาไปอยู่เป็นตัวเป็นตนจริงๆแล้วก็อยู่ที่เธอจะพิจารณาด้วยนะ ถ้าเธอพิจารณาว่าโอเคเธอจะไม่อยู่ผู้ชายคนนี้ถ้าประมูลได้ถึงจะเป็นสิทธิสายแม่ห้ามห้ามบังคับด้วยนั่นเขาจึงเรียกว่านางงามจักรวาลสัตว์เดิมมาจากคาว่าโสเภณีโสเพณีแบบผู้หญิงที่งามที่สุดใช่ไหมงามโสพน้าเรียว่างามเขาจะาผู้หญิงเหล่านี้ยพระราชาจะประกาศเลยว่าใครไปเกี่ยวข้ององโดยฐานะต้องประมูลเท่านะั้นแล้วก็ต้องเธอยินยอมเนี่ยนี่เหมือนกันนะผู้หญิงคนเนี้ย ก็มีหน้าที่แบบนี้เธอก็เลยไปประมูลมาได้ไปทำงา น, นทีนี้พอประมูลมาเบีดเสร็จก็ไปบอกสามีว่าเนี่ยในช่วงสามเดือนเนี่ยไม่มีเวลาดูแลสามีจะให้จะให้นางงามคนนี้มาดูแลแทนเธอจะยอมไหมยล้าผู้ชายยอมไหม ยัมีอะไรไมยังไมยงไม่เลยยัไมยังยังยองยังยังยังยังยังยงยังยังยองยังยังังยัังยัยงงง ก็แต่จริงๆถ้าให้นางงามมาดูแลใช่ไหมคะแต่ต้องอยู่ใต้อาณัติเหรอทำไมต้องหวงกันนหวงค่ะมีคนมาช่วยงานแบ่งเบากันะไม่ต้องไม่ต้องอยู่ใต้อาณัติ ก็มีคนมีคนช่วยงานไงคะแต่บ้านนี้เป็นของเราเราต้ดูแลข้ามขอเราแน่เลยเราของเราของเรานี่โดนแน่แม่ใชเป็นบ้านที่เราอยู่ไม่ไม่ถึงมาเป็นบ้านที่เราอยู่งั้นมาต่อเอาแล้วทั้งยาวยาวยาวยาวเร็ววันนี้งั้นฉันเล่าเรื่องรี่ทำจริงที่เกิดขึ้นก่อะอันนี้เป็นเรื่องสมมติ ทีนี้สามีก็ตกใจโอ้โหเราไม่โชคดีขนาดนี้ผู้ชายก็จะคิดรักนางทีนี้ก็ตกลงผู้หญิงคนนี้ก็มาอยู่ในบ้านเธอก็หยุดการทําหน้าที่สามีเธอภรรยาสามเดือนปกติภรรยายต้องทําหน้าที่กับสามีต้องดูแลก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สบายแล้วจ้างคนมาดูแลเสามเดื อ, <c oughs> ตอนตัวเล่นก็ไปดูทําหน้าที่อยู่ ก็นีหมนพระเจ้าสาววอกมาทุกวันวันละห้าร้อยดวงเธอมีบริวารเยอะบริวารหุกวันวันก็อยู่ในโรงครัวขนาดใหญ่ต้องไปจัดแจงผมเข้าไม่ค่อยได้ดูแลแต่งเนื้อแต่งตัวก็มอมแม่ใช่ไหมก็ต้องอยู่ในครัวใครอยู่ในครัวก็รู้ใช่ไหมแต่คนที่ไม่รูออ้สวยตลอดพี่ กินอาหา <ขอ S 2> รพอเต็มครบแล้วคะทานมอมแมมหมดแล้วว่าก<ด><า>ินอาหารเต็มหมดถ้าเลี้ยงคนขนาดนะั้นเลี้ยงพาระดับนั้ต้องกินยู่จากนเ<ส spotlight><ร>นี่ยตามอย่างนี้อยู่ต่อมาประมาณสักเดือนสองเดือนเข้าจะเดือนที่สามเนี่ยสามีมีวันหนึ่งสามีอยู่วันประสอบก็มองมาที่ครัวมาจับหน้าต่างแล้วเออใจมองมามองลงเห็นภรรยาที่มอมแมมก็ก็ตำหนิในใจเนี่ยโอโง่จริงจริง ตำหนี่ภรรยาให้อยู่สบายไม่ชอบใช่ไหมกลับไปชอบอะไรเหน็ดเหนื่อยมอมแมมขนาดนั้ น, น, นก็หัวล้ะเป็นไหไปนางเนี้ยที่เป็นนางงานแต่วานเนี่ยพอมาอยู่ น, นานๆก็มันยึดมันยึดตัวเป็นของเรานะ่ไหมปกติมันเป็นเรื่องกคนทั่วๆไปก็ยึดเพราะเห็นผู้ชายเนี่ยมองไปที่พัดภรรยาแล้วหัวลอ้อก็นึกโกรธมากโกรธว่า เราคนิบัติขนาดนี้ยังแอบไปชื่นชมเบลอะไะทั้งๆไปสวยก็สู้เราไม่ได้การปนิบัติการแรงจ่างมปแท้จริงเนีสามีไม่ได้ไปชื่นชมเลยนะขึ้นนึกตำหนิหน่อร้อนย่ออะไรอยเพรกรธขึ้นมาพลืนตัวขึ้นมาจะไปทําลายผิวให้ให้ให้เสียโฉมก็ถึงตัดน้าร้อนน่ะตัดน้ําร้อนเดินไปเดินไปจะไปสาดใส่ใส่ใส่อะไรอย่า พนางเหลี๋ยวมาเห็นนางคนนี้ถือด้วยความโกรธมาเนี่ยนางก็ยืนยืนสงบนิ่งเนะี่ยแล้วก็ตั้งกายานจิตตั้งเมตตาจิตนึกถึงความดีโอ้โหเนี่ยพ่อได้เธอเราจะมีโอกาสได้ดูแลพรนพุทธเจ้าทุกวันเลยจะเข้าเดือนที่สามแล้วเนี่ยเกือบจะเก้าสิบวันแล้วอาศัยความดีของเธออาศัยการที่เธ อ, อ, าาอต้องพ้นมีบาดสามีของเราด้วยความเหนืดอยด้วยความยากด้วยความลำบากเลย ขอให้เธอจะมีความสุขขอให้เธออย่าเดือดร้อนขอให้เธอปราถนาอะไรสมปราถนาเอ้ยเมตตาจิตนนะั่นแอรกเข้าไปงานนี้มาถึงป้าป้าสาดน้ำน้ำที่วิ่งเข้ามาเนี่ยด้วยพลังของเมตตาเนี่ยกลายเป็นน้ําเย็นฟึ่งอยากได้อยแบบแบบแบบนี้หรอ <c oughs> อยากได้แบบเนี้แจ่นั้นถ้าหากว่าลูกน้องลูกสิษโกรธ แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทํเาเป็นเมตตาเพเมตตานางก็ตกตะลึงเลยเอ๊ะทำไมนางไม่เป็น <c oughs> ก็ขอโทษเลยขอโทษโอ้ลืมตัวแค่มาอยู่กับสามีของเขาแค่สองเดือนกว่าๆจะยิ้มแต่แล้วเป็นทข้งอย่างนี้ไปต้นต <c oughs> เข้าใจความเมตตากุ้มครองไหมเนี่ยเมตตากรุ่งครองยอมทําให้ได้นะ่เมตตากรุ่งครอง พี่โน้ตผมหน้แล้ววางใจไม่ได้ยากไหมนี่ที่พูดให้ให้ดูว่าเนี่ยลักษณะสภาพจิตใจที่ที่กล้าสลัคนที่กล้าสลัที่จริงโดยส่วนใหญ่สามีภรรยาเนี่ย โดยมากเราอยู่ด้วยกันโดยมากคิดจะไปกํากับเขามากกว่าจะคิดมาถึงการที่จะทําหน้าที่ตรงนี้สังเกตถูกไหมเราไปอยู่กับใครเราต้องการอยากจะไปคอนโทรเขากํากับเขาให้เาเป็นอย่างที่เราต้องการแต่ในในหลักการในพระศาสนาพระเจ้ากับสอนทีว่าเราจะทําอะไรที่มันดีที่สุดให้กับเขาแล้วรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาชอบอะไรเขาปรารถนาอะไร อะไรเป็นความสุขอะไรเป็นความดีงามที่เราควรทําให้เขากับเอาความต้องการของเราเนี่ยให้วางทิ้งไปความอยากของเราให้วางทิ้งไปเปิดความรู้สึกเราออกกับไปมองความรู้สึก ข, ของเขาว่าเขาต้องการอะไรถ้าทําอย่างนี้จะทําให้เขามีความสุขอย่างนี้นเป็นต้นนี้ไหมจ้างฝ่ายต่างก็ไม่ได้ไปคิดว่าคุณต้องทําอย่างนั้นคุณต้องทําอย่างนี้ แล้วก็ไม่ได้ไปประกาศอย่างทุกวันนี่เราจะบอกว่าชั้นเป็นคนแบบนี้นะได้ได้แค่นี้เองนะฉันยอมยอมได้แค่นี้ถ้าไปมากกว่านี้ฉันไม่ยอมนะใช่ไมเดี๋ยวว่าเราจะพูดแบบนะ้นเราจะประกาศอะไรประกาศหลักการประกาศทิฏฐิประกาศทัศนกันติประกา ศ, ศาความเห็นประกาศความเชื่อว่าฉันเป็นแบบนี้คุณต้องยอมรับฉันให้ได้ในตอนนี้แต่ในหลักการในพระศาสาศนาเาไหมทำลายตัวนี้ถีงจบอาจารย์จนสองชั้นเห็นน้ก็นตั้งหนึ่งับตรงนี้เลยนะ ว่าแนวทีละสามขึ้นข้างบทก็ได้คนที่คุ้แก่เขาไม่ได้จะรอบหน้านี้จะขึ้นจากแบหน้าบนเอ๊มันมันต่างกันไหมซึ่งซึ่งเราไม่เคยถูกสอนมาเลยนะไอ้ลักษณะแบบว่าทําลายความต้องการมัหน้าหนึ่งนะเหมือนว่าความเป็นเรามันหายไปใช่ไหมตัวตนเราก็หายไปอัตลักษณ์ของเราก็หายไปเราเราเป็นคนที่จะต้องรักษาอัตลักษณ์ รักษาตัวตนอัตลาแล้วรักษาทัศนคติของเราไว้เรากลัวว่ามันจะไม่มีคําว่าเป็นเราอยู่เลยจริงไหมเราจะมีความรู้สึกอย่างนั้นหลายๆคนจะเป็นอย่างนั้นอยากจะรักษามันไว้อัตลักษณ์เอ่ยทัศนคติความเชื่อทัศนคติมุมมองความคิดเห็นของเราเราจะรักษากอดมันไว้แล้วเรายอมตายไปกับมันด้วยบางคนฉันจะเป็นน้องฉันอย่างนี้จนกว่าฉันจะตายไปก็จะอยู่กับแบบเนี้ย ใครจะคิดชอบหรือไม่ชอบใครจะเห็นหรือไม่เห็นใครจะยินดีหรือไม่ดีดีฉันไม่รู้แต่ฉันจะรักษามันไว้ยองเคยสมาทานอย่างนั้นนะสมาทานไ<ส> ง, <ส> ง, <un> <ส>งแล้วอย่างนี้มันใช่มันมันเป็นวิธีที่ถูกไหมจริงๆแนละ้วฉันจะทุบ<ง>ก็ไม่เป็นไรฉันจะนอนร้องไห้คนเดียวก็ไม่เป็นไร ฉันจะตายไปกับความรู้สึกแบบนี้ฉันจะกอดมันแล้วก็จะตายไปกับมันแล้วฉันจะไม่ยอมขอโทษใครด้วย <c oughs> ฉันจะรักษาอัตลักษณ์ทัศนคติมุมมองความเชื่อของฉันไว้กอดมัน <c oughs> ฉันจะไม่ยอมทำลายมันที <c oughs> ถ้าทำลายจริงไปความเป็นตัวตวนที่มันหายจริงไหม <c oughs> จริงจริงการรักษาไว้ดีไหมทัศนคติแบบนี้ ก็เป็นตัวของตัวเองก็ดีนะค ะ, ะ <S <S อ, ยอย่าไปยืดกับมันแล้วก็เอาเสียงนั้นน่ะไปเอาชนะเหนือนคนอื่นไม่ใช่อะ่ะถ้าเราอยู่ของเราคนเดียวเราก็เป็นตัวของเราไปแต่พี่แท้พูดเ่ยชอบตรงที่ว่าเราอยู่ใครเราแบบให้เขามีความสุนทรีย์งามของเขาเราอย่ามาบังคับ เพราะว่าเราก็อยากให้คนอื่นให้เรามีความสุขมีทั้งเราไม่ต้องมาบังคับเราต้องมาดูคือประเด็นคืออย่างนี้ถ้าสามีกับภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันนะถ้าหลักการในทางพระศาสนาเนี่ยก็หลักการพวกเราก็ว่ากันไปอย่างที่พวกเราเป็นนี่แหละเราจะรักษาก็รักษาไว้ไม่เป็นไรกอดมันก็ไว้แล้วเราจะรู้ว่าผลมันจะเกิดขึ้นยังไงก็รู้อยู่นะแต่ถ้าหลักการของพระเจ้านะหลักการพระเจ้าคือว่าเมื่ออยู่ด้วยกันเป็นเด็น เรามีแยกความอยากความต้องการทัศนคติใดๆทั้งหลายวางทิ้งไว้ก่อนวางโยนไว้แล้วก็หันไปเหลือบมองดูสามีจะสามีก็เหมือนกันอัตลักษณทัศนคติมุมมองตอัอัตลักษณ์ตัวเองวางทิ้งไวยก็หันมามองภรรยามองเห็นไหมการฝ่ายต่างโยนอัตลาตัวตนตัวเองทิ้งแล้วก็ไปมองว่าภรรยาเขาชอบอยังไงเขาชอบแบบไหน อะไรเป็นสิ่งที่ทำแล้วเขาดีใจอะไรทำแล้วเขาไม่ดีใจถ้าทำแบบไหนเขาชอบทาแบบไหนเขาไม่ชอบอะไรเป็นความสุขสดชื่นอะไรเป็นความไม่ดีทำไปแล้วนี่เขาจะรู้สึกขัดเคืองฝ่ายภรรยาก็ไปดูที่สามีเหมือนกัน ว่าสามีเขาเป็นคนมีบุคลิกภาพอย่างไรชอบอย่างไรมีมีจิตใจแบบไหนชอบแบบไหนมีทัศนคติมุมมองอย่างไรแล้วก็ชอบมัาท่านท่านฟังยังไงชอบอย่างตามฝ่ายต่างโยนความต้องการตระเวงทิ้อองก็หันไปดูความต้องการของฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายที่ตระเวนอยู่ด้วยแล้วต่างฝ่ายทับให้กั น, นพอพอต่างฝ่ายต่างทําให้กันแต่ก่อนมันเป็นเหมือนใน น้ำกับน้ำมันใช่ไหยแต่ว่ายนควาต้องการยิงไฟมันจะเป็นเหมือนน้ากับน้ํานมทำน้ำอันหนึงเป็นน้ํานมอันี้เป็นน้ำเอามาผสมกันเพระผสมกันแล้วเนี่ยมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแต่รักษาอัตรารักษาท่านั้นสติรักษาอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยก็เป็นเหมือนน้ำที่จะเป็นน้ำทอ่นั่จะเป็นน้ํามันเอามาวางใส่กันปุ๊บมันก็จะไม่เข้ากันก็จะเป็นชัดอยู่นั่นแหละ แต่ทางพุทธศาสนาให้ทําเป็นน้ํากับน้ํานมพอไปเรียบยิ่งคนเท้ากัเป็นเนื้อเดียวกนะันเราก็ก็ถามว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนก็ได้ไออย่างที่เราเป็นมันก็เป็นน้ําก็นน้ำมันอยู่แล้วใช่ไหมก็เป็นกันอยู่เทุกวันที่เป็นอยู่แต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนว่าเอ อ, อยากจะทําอย่างที่พระเจ้าทําอยู่พระเจ้าไม่ได้บังคับ แต่วิญญาณถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเป็นเหมือนน้ากับ น, น้ำผุนองแต่ถ้าทําแบบนี้แล้วจะเป็นน้ํากับน้ํำมันมันอยู่ด้วยกันแต่ก็จะมี อ, รรอัตลักษณ์ของตัวตนแล้วก็ยังไงดูแล้วมันก็เหมือนอยู่ห่าง ก, กันบางทีอยู่ใกล้กันกรเมือนางกันยิ่งอยู่ใกล้กันก็ไม่เข้าใจกันซะดีนี้จะตังาา้งคำถามว่าไม่รู้ฉันไม่เข้าใจเหมือนกันมเขาเป็นอย่า ง, งนั้นก็ไมู่ บางทีอยู่กันมาทั้งสามสิบปีบอกไม่เข้าใจไม่รู้เป็นยังไงเนี่ยจะเป็นแบบนี้เขาจะมีอัตยาศัยนี่ฉันก็ไม่เข้าใจเขาเป็นอย่างเนื้อต่างฝ่ายต่างก็จะไม่เข้าใจซึ่งกันและกันใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนน้ำกับนม ก, ก็มองเห็นมันทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะทําเหมือนน้ํากับน้ํานมเนี่ยหรือจะวางความต้องการวางอัตลักษณ์ตนเองไว้แล้วก็หันไปดูค ว, วามรู้สึกของแต่ละฝ่ายแล้วก็ปฏิบัติต่อกันอย่างนี้คิดว่ามันจะทําทยากไหม ยากไม่ายากยากแล้วอย่างเงี้ยต้องร่วมมือไงทำฝ่ายเดียวไม่ได้อาหาน้มัอ่าแล้วน้ฝ่ายแล้วฝ่ายไม่ทนี่เนี่ยเข้าใจฉันรู้ว่ายมะต้องถามทานี้ฉันถึงยิงประเด็นตรงนี้เข้าไปเดี๋ยวฉันพูดคำนี้เพราะยมจะต้องถามคำนี้แน่นอนเนี่ยเพราะเพราะเราเนี่ยไอคิดแบบนี้ แต่เชื่อไหมกําลังของกุศลกาลังของความดีกําลังที่เราทําเนี่ยมันจะทําให้เขาเป็นเหมือนที่เราต้องการความดีมันมีผลทําไปเถอะทําด้วยความรู้ทํำด้วยปัญญาทําด้วยความเข้าใจความดีมันชนะความไม่ดีเมตตามชนะความโกรธความอดทนมันชนะความอ่อนเอ่ความขยันมันชนะความเกียจความมีความเชื่อมั่นมันชนะความไม่เชื่อมั่น ความเพียรแก้วกล้ามันชนะความไม่กลก้าใช่ไหมสติมันชลนะัชนะความหลงหลืมสมาธิมันชนะความฟุ้งซ่านปัญญามันชนะความไม่รู้การทําอย่างนี้มันทําได้ปัญญามันชนะได้ทุกอย่างนแหละแต่กล้าไหมล่ะกล้าพิสูจกล้าทำไหมละ่ะ ถ้ารพิสูจน์กล้าที่จะทำเนี่ยมันจะได้สิ่งที่ต้องการจริงๆพิสูจน์ไม่ทันไม่ทันใช่ไมไม่เรียนรู้ก่อนเรีย้ไม่ทันไม่ทันไเยไม่ทันปนานแล้วแต่เราไม่ใช่ไปทำเฉพาะกระสารเรามีเพื่อนเรามีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีปู่ตายายยายมีญาติมิตรเรายังมีคนรู้จักอีกเยอะที่เราจะทา ไม่ใช่เฉพาะแต่กับสามีหรือกับภรรยาเรามีลูกเรามีอะเยอะแยะ ม, ม, มีลูกน้องที่เราสามารถที่จะทำได้ใช่ไห ม, มจริงไหมจริงกิ้งก่ายทำกลูกตลอดนะทำลูกได้เยอะเลไในความสุขเล่นล้อเสียวใช่ไหมพอเข้าใจนะยมนะที่จริงไงสิ่งเหล่านี้มันมันไม่ได้ไปทำยากหรอก แต่มันเป็นตรงไหนรู้ไหมมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทําและไม่คิดจะทำถึงงนี้นะไม่เคยทํากับไม่คิดจะทำอย่างนี้นะบางคนเนี่ยมันอาจจะเคยทําได้ซ้ำไปแต่รู้สึกว่าเส้นทางนี้ฉันไม่ชอบมันรู้สึกความเป็นตัวตนของฉันมันหายรู้สึกมันไม่มันไม่มันไม่สะใจฉันอ่ะไปเป็นไนมันไม่สะใจใช่ไหมฉันอยากจะ ฉันอยากจะแสดงอัตลักษณ์ตัวตนของฉันออกมาประกาศให้โลกรู้ว่าฉันจะเป็นฉันอย่างนี้แต่ฉันไม่อยากแคร์สายตาใคร ที่จริงเนี่ยวิธีคิดในชิดยังไงร้อยหมอคิดว่ามันทา้าทายมันหน้า ไอสิ่งเหล่านี้มันท้าทายมากท้าทายศักยภาพท้าทายความสามารถของมนุษย์แลฉันอยากจะฝุกมันดูว่ามันจะเข้าถึงตรงนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงก็มันท้าทายถ้าคิดอย่างนี้มันยึดตัวสบู่เดี๋ยวนี้มีพลังนะถ้าคิดว่าโอ้ฉันทำไม่ได้แน่ฉันทาไม่ได้แน่ถ้าคิดว่าเฮ้ยงานเนี้ยฉันจะต้องทําให้มันได้มันท้าทายท้าทายว่ามนุษย์สามารถพัฒนาไปได้ไปถึงจุดตรงนั้นได้ฉันจะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นนะ ถ้าเชื่อมั่นเราจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างพระุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ฝึกได้คือจากคนเกียจค้านฝึกให้ขยันได้อยากไม่เชื่อมั่นฝึกให้เชื่อมั่นได้อยากอ่อนแอฝึกให้แข็งแรงได้ไม่อดทนฝึกให้อดทนได้ฟุ้งซ่านฝึกให้มีสมาธิได้ไม่เหยียดหาดฝึกให้มีปัญญาได้เชื่อไหมว่ามนุษย์จะฝึกได้เชื่อไม่เชื่อนี่เป็นพุทธะดำหลักนะ พระเจะาบอกมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึนได้ไมันมีกำลังใจถ้าคิดอย่างนี้ส่วนว่าต้องฝึงเเนนงเเกเนี่ยเป็นหน้าที่เยอะฝึกได้เนี่ยเป็นกำลังใจต้องฝืนนี่เป็นหน้าที่เนี่ยมันโอ้รู้สึกอยากจะฝึกฟังไหมอยากฝึกไหยอยากจะฝึกสองชั่วโมง ส่วนที่ได้ข้อมูลคือคนที่กําลังจะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวเช่นลูกหมอจะแต่งงานถ้ามสองฝ่ายทั้งผู้ชายทุกผในฝั่งด้งฝั่งไอ้ชิโกะที่จะเริ่มมามันก็จะเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะคือโยญาตโยมถ้าอาจารย์เคยเจอและตอนที่อาจารย์ไปไอทีก็รูปชายก็กําลังจะแต่งงานนกันก็เลยอยากจะให้อาจารย์ก็เนี่ยพวกเราฟังไปก็เชื่อเพียบอก มันไม่เหมือนกันความขังไม่เหมือนกันใช่ไคือคือตรงนี้จริงๆแล้วถ้ามองถ้าเรามองอย่างนี้เราจะได้เห็นว่าโอ้จริงๆแล้วมันท้าทายมันน่าจะมีแนวความคิดว่าอีสเราจะทำให้มันได้ใช่ไหม แล้วถ้ามันพอไปทําได้แล้วฝึกได้จริงๆพิ่แล้วก็บอกกับเพื่อนๆบอกว่ายได้จริงๆเนี่ยฉันทาได้เธอจะมีความสุขของมันจริงๆว่าทําเข้าถึงตรงนั้นรู้สึกตอนนี้ฉันมีความสุขฉันไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วรู้สึกว่าแต่ก่อนนึกว่าการทิ้งอัตลักณ์ เมือทำลายความรู้สึกที่มีอัตราตัวตนไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ที่ไหนได้กับกาเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดเนี่ยเป็นคนที่มีมีความสุขมากและจะเป็นคนที่มีความสุขได้ทุกขั้นตอนเลย ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องอะไรมีทัศนคติมุมมองเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็มันไม่ติดตันแต่ก่อนโอ้โหไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโลกกับสิ่งแวดล้อมโอ้โหมันสัมพันธ์ผิดพลาดหมดเลยเอาตั้งหามาสัมพันธ์บ้างเอาทิศที่ทัศนคติที่ผิดพลาดไปสัมพันธ์บ้างเอาความไม่รู้ไปสัมพันธ์บ้างมันก็โอ้ผิดพลาดหมด เราไปดีบัติตอสิ่งแวดล้อมบิดมากต่อไปเราก็เอาสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วก็เอาปัญญาไปสัมพันธ์เอาสติสมใจญาเป็นสัมพันธ์แต่สต้าสัมคมสิ่งแวดล้อมเอาเมตตาไปสัมพันธ์บังกรุณาไป็นสัมพันธ์บางมุทิตาบังเป็นสัมพันธ์ใช่ไหมเพราะมันกลายเป็นโงมองโลกและชีวิตเนี่ยได้จิตที่ได้จิตที่แปรเปลี่ยนไปแต่ก่อนมันติดตันแต่ตอนมันติดขัดแต่ก่อนมันมืดมนหมดเลยแต่ตอนนี้มีปัญญานำปัญญาก็นําจิตโอ้ทาให้จิตมันโปร่งโล่งแล้วก็เบา เหมือนเหมือนเหมือนเดินทางอ่ะเราเดินทางด้วยความไม่รู้อ่ะว่าเส้นทางนี้จะไปทางไหนกับเดินทางด้วยความรู้อ่ะมันต่างกันเลยนะความรู้สึกอ่ะถ้าขับรถไปปุ๊บเอ๊ะหลงทางเนี่ยมันติดตันเลยนะอึดอัดครับเพราะแต่พอรู้ปุ๊บว่าอ๋อมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายังไงจะไปทางไหนเพมันโล่งมันโปรยนี่เหมือนกันถ้าให้ปัญญานําจิตแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับโลกและชีวิตโอ้มันไม่ติดขัดเน่ยมันจะมีความสุขทุกขั้นตอนนะ เห็นเขาทุกกันแล้วก็เข้าใจว่าเป็นยังไงควรปฏิบัติยังไงเห็นเขาสุขก็เข้าใจเห็นคนขัดแย้งกันเห็นคนสามัคคีกันเห็นคนทําดีเห็นคนทําไม่ดีทั้งหลายมันไม่เอาความรู้สึกจับแล้วมันเอาความรู้ความเข้าใจสามารถจะวิจัยสื่อสาวหาเหตุปัจจัยก็ได้คิดผูกเล้าคุณธรรมก็ได้คิดให้เห็นความจริงก็ได้หรือว่าคิดในกรณีที่จะให้เห็นเป็นแถวเป็นแนวก็ได้เออ่อนแอคิดให้เข้มแข็งก็ได้ ไม่เชื่อมัน่นคิดให้เกิดความเชื่อมั่นก็ได้ไม่มีสมาธิคิดให้เกิดสมาธิไม่มีปัญญาคิดให้เกิดให้ปัญญาเกิดก็ได้โอ้โหมันคล่องไปหมดเลยอยากเป็นแบบนั้นไหมล่ะอถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีเลยใช่ไหมเดี๋ยวไหทั้งหมดเหล่านี้มันเรื่องกระบวนการความเข้าใจล้วนๆเลยนเลยนะ่ยเดยไหม ถ้ามันใช้วิถีแบบเดิมๆเราก็ใช้มาจนกว่า น, นี้ก็ตั้งห้าสิบกว่าขวบแล้วขวบแล้วใช่ไหม <c oughs> ตั้งห้าสิบกว่าขวบแล้วเราก็เราก็รู้แล้วเราใช้บริการความรู้สึกแบบนี้มาตั้งนานทําทไมไม่อยากเปลี่ยนตัวเองบ้างเลยบางทีเราอยากจะเปลี่ยนทรงผมอยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรต่างๆนอกโอ้โหไปงานนั้นเปลี่ยนอย่างงาั้นไปงานนี้เราเปลี่ยนอย่างนี้ แต่ทำไมทัศนคติเราไม่อยากเปลี่ยนแล้วบ้าง <c oughs> ทำไมใช้ทัศนคติเดิมๆความคิดเดิมๆใช่ไหม <c oughs> ใช้บริการแบบเดิมๆมาตลอด <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนนีเปลี่ยนทัศนคติไปตามอย่างที่พระเจ้าสอนใช่ไหมลองใช้ทัศนคติมุมมองที่มันกว้างขึ้นมันกว้างขึ้นมันลึกขึ้นมันรอบขึ้นใช่ไหมรู้ชัดรู้ลึกรู้รอบมากขึ้นเออชันว่ามันมันจะได้มุมมองทัศนคติใหม่ๆ วิธีคิดใหม่หรือว่าข้อมูลความรมู้ใหม่ๆใช่ไหมถ้าเราทําอย่างนี้มันก็เป็นมันก็จะทําให้การดําเนินชีวิตที่มันดีงามมากขึ้นใช่ไหมแต่คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยพร <c oughs> ะเจ้าบอกว่าอันดับแรกเนี่ยที่เขาเรียกว่าหนึ่งกัญญาณมิตรใช่ไหมทําไมเราจึงไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนตรงนี้เพราะเราไม่ค่อยได้มีกัญญาณมิตรคือมิตรที่ดีทั้งหลายมาบอกข้อมูลมีมีคาสอนที่ถูกต้อง สองสองก็คือถ้าเรามีกรณีสองอิปการต่อมาคือตัวกลุ่มฉันทาสัมถาก็เรียกฉันทสนาสมทาเคยได้ยินคาว่าฉันทามั้ยฉ<ม>ันทาแปลความรักรักแท้รักในการที่อยากจะเปลี่ยนตัวเอง<ม>ยองเคยรักแท้ไหมเคยในชีวิตเคยรักแท้<ม>เคยเกิดเคยมีรักแท้แทเกิดขึ้นไห ม, มเป็นยังไงเวลารักแท้เกิดขึ้น อะไรก็ได้อะไรก็ไเคยรักแค่รักลุงรับแกเคยรักเคยรักคําว่ารักแท้เนี่ยว่าถ้าเรารักสิ่งใดนะมันจะอุทิศกายและใจกับสิ่งนั้นเต็มที่มันรักเคยรักอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากจะทําให้ตนเองมันก็เรียกว่าเหมือนเรารักในอย่างยกตัวอย่างเช่น เรารักในศีลเนี่ยเรารักในตัวเรารักในความแก้วกล้รักในความเพียรความแก้วกล้ารักในสมาธิเราเห็นว่าถ้าเราปล่อยให้จิตเราพุ้งซ่านอย่างนี้เราเสียหายแน่เรารักในการที่จะทําให้จิตเราเกิดสมาธิเรารักความเพียรเรารักความเชื่อมั่นเนี่ยเรารักปัญญาพอเรารักสีรักสมาธิรักปัญญารักเมตตายช่ไหมเรารัก เราอยากให้ใจเรานะมีเมตตามันเกิดรักแท้ขึ้นมามันทุ่วมเทานักลึกนะฉันจะต้องเข้าถึงเมตตาให้ได้ฉันจะไม่อยู่กับเมตตาเทียมๆต่อไปเมตตาแบบเทียมๆก็คือเออรักเขา น, นะรักเขา น, นะแบบธรรมดาแตใจมันไม่รักอีกไงเป็นไหมเราแบบว่าโอรักปรารถนาดีกับเขาแต่ว่ามันมันใจมันแห้งแล้งเคยเป็ น, นเหมือนเคยท่องแผ่เมตตาไหม สัพเพชะตาสัตว์ทั้งหลายแต่มันไม่ไปจริงมันท่องไปงั้นแหละแต่ความรู้สึกทราบซึ้งตึนใจความรักปรารถนาดีเอื้อทอนแบบจับจิตจับใจอะมันไม่แผ่ไว้ริงมันไม่ออกมาเจอหน้าเพื่อนว่าโอ้ล่ะคิดถึงคิดถึงแต่มันไปงั้นเองแต่มันไม่มันไม่แผ่ไว้ริงมันเกิดความทราบซึ้งตืึนใจนี้คิดถึงเขาแล้วมันเมตตาและปรารถนาดีแบบนี้มันมันออก เพราะเราหลงเราอยากจะเข้าถึงสภาพจิตที่มีเมตตาจริงๆเข้าถึงสภาพจิตที่มีกรุณาจริงๆเพราเกิดทักแค่ขึ้นมานมันทุ่มเทนะจังเหมือนเรารักแค่กันเรื่องอะไรเฮ้ตัวฉันท่าตัวเนี้สําคัญฉันท่าก็คือมีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาใฝ่สร้างสรรค์ใฝ่ฝึกตัวเองจริงๆในการที่พัฒนาพฤพติกรรมจิตใจและปัญญาตัวนี้จริงๆ เพื่อให้เข้าถึงความดีงามอีกแค่จริงเพเกิดความรักอย่างนี้่ะถ้าใครเคยรักแบบนี้ขึ้นมามันไม่ใช่รักแค่จุดหมายเนี่ยถ้าฝึกตัวเองถ้าถึงที่แล้วมันได้จุดหมายที่ดีงามมันรักในระหว่างที่ทำในขณะที่ฝึกตัวเองเหมือนเรารักเรียนเพราะเราเห็นว่าจุดหมายของการเรียนมันจะทําให้เราได้เกิดควา ม, มาราู้ความเข้าใจเวลาอ่านหนังสือเวลาทําบททดสอบอุ้มมีความสุขเพรารักเนี่ย ถ้ารักแบบตั้หามันไม่ใช่นะอยากจะสอบได้แต่ไม่อยากอ่านหนังสือเลยเนนะไม่อยากจะสอบได้มันไม่มันมันรักแบบตั้หามันอยากจะสอบได้แค่นั้นแหละเงื่อนไขก็ขอให้ได้สอบได้ได้ใบประกาศหรือได้ผลการเรียนที่มันดีขึ้นเท่านี้เองแต่จริงๆไม่อยากอ่านมันก็เรื่องกันนะแต่ถ้าหากว่ามันเห็นว่าการอ่านการอ่านการศึกษาการเรียนรู้มันจะทําให้เราเนี่ย มันจะทําให้เราเนี่ยได้ได้ข้อมูลความรู้ที่ดีงานคุณภาพชีวิตของเราจะดีขึ้นเพราะมันเกิดความรักตรง น, นี้ขึ้นมาไม่ใช่รักจุดหมายอย่างเดียวนะรักการกระทําเพื่อไปถึงจุดหมายนะครัและทุกขั้นตอนขอการกระทํามันจะมีความสุขในการกระทําเคยเป็นแบบนี้ไหมรั ก, ล, กลูกอ่ะเราอยากให้ลูกกินอาหารดีๆเวลาทําอาหารให้ลูกมีความสุขพอเรารู้ว่าเนี่ยลูกกินอาหารดีๆแล้วคุณภาพชีวิตของลูกจดีมีความสุขไหมทำแบบนี้ รักสามีอยากให้สามีกินอาหารดีๆไม่าเไม่เป็นเลยไม่แปลกใจเราทั้งนั้นมันเป็นแบบนี้ไหมว่าเวลาเรารักใครสักคนเนี่ยเราเราอยากจะทำสิ่งดีๆให้เขาเมื่อเราทำสิ่งดีๆให้เขาถ้าเขาไม่กินเรากดไหม จ้ความไม่สิ้นไมัต้องมีเราเป็นคนเรเป็นยาวๆๆวยเราเป็นคนต้องเดี๋ยวความ <c oughs> าไม่สิ้นสุดเราเป็นธรรมดา <c oughs> ที่ยังไม่ถึงเอ๊ะทำไมไม่ทำอย่างนี้นะเพระว่าเราเรารักเขาเราบางทีเนี่ยเราทำอาหารที่ดีมีคุณภาพ เพื่อจะให้เขากินแต่พอทําทไปแล้วเขาไม่กินที่ตอนทํามีความสุขไหมหรือทําไปก็หวังไปเขาต้องกินเขาต้องกินทำที่หวงังเงี้ยใช่ไมบงคนไปทํำไปก็จะหวังให้เขากินใช่ไหมแต่ถ้าลองลองลอ ง, ลองมาดูการใหม่เนะทําแล้วมีความสุขเพราะเป็นของดีมีคุณภาพแล้ววางท่าทีตรงใจเนะี้ย แม้อาหารที่ดีที่สุดมีคุณภาพดีที่สุดตั้งใจทําดีที่สุดทุกขั้นตอนถ้าถึงเวลาเขาไม่กินเราก็จะมีความสุขจากการที่เราได้ตั้งใจเก็บทินถึงเขาไม่กินก็ไม่เป็นเพราะเพราะการกระ ท, ทําของเราสมฤทธิผลแล้วส่วนเขาไม่กินเพราะเขาไม่เห็นประโยชน์อันนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราแล้วมันเป็นเรื่องของเขาแล้วบอกเขาเลยว่านี่ลูก นีแม่ทําอาหารที่ดีที่สุดถ้าลูกกินนะ่ะแม่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นถ้าลูกไม่กินแต่แม่ก็ความสุขเท่าเดิมแต่แม่จะไม่เครียดกับทำไมไม่วางท้าดีทางใจเงี้ยทําได้ไหมแบบได้ใช่ไหม อีทีไอ้สมนัองนกินเองมุดยินไะไม่ค่อย่องอานารง่ายแต่อาจะียงไงถอยไปหนาวถ้าถอยไปยืนเออตรงนี้ต้องที่จริงมนุษย์ทากันยากวิธีนี้เพราะเราไม่ได้รู้สอน เราไม่เคยถูกสอนเลไม่เคยถูกแนะนำไม่ถูกแนะนำว่าฉันทําด้วยความตั้งใจทําด้วยความดีทําด้วยความวิจิตรบรรจงคุณไม่กินคุณทำลายความรู้สุจริตท้ามีแบบทำทุกอย่างแม้แต่ทุกอย่างกินแต่ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นตีเลย ในที่ที่เราเาไม่เห็นเลยค่ะไม่เลยแม้แต่รกินทุกเรื่องน่ะยากทำเลยแค่แบบือไม่ได้กินกินแต่ก็ก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีกว่าเลคนแล้วเราเราเซ็งไหมตอนนั้นตองตื่นไปขอดเซ็งไหมเซ็งไหมเหรอคะท่านมันไม่ได้เซ็งแต่ละแต่มันเป็นการ สะสมนี่เท่านั้นเองเนีนั่นแหละคือเซงคือางรที่มท <c oughs> แบบัถแอบบ น, แบบบานกาลังใจตรงนี้ภาษ า, าพา่าเ้าเรียกเซงกับซึมเ <c oughs> ซงเนี่ยเาเรียกผีนะซึมเนี่ยเาเรียกวิทะสภ า, ส า, าเนี่ยมันทาให้เราท้อถอยไอความท้อถอยเราความหดหู่ท้อถอยมันเกิดขึ้นเรื่อยเรื่อยเืเมื่อเราสะสมจิตวิธีคิดแบบนี้เรื่อยๆ เราก็กลายเป็นคนทําอะไรแบบประเภทที่หนัเข้าแลักเข้าจะไม่มีความสุขนะประทอ้อต่อหนักเข้าไม่ต้องให้ทําเราแค่คิดก็ซดถอยแล้วแค่คิดเห็นหน้าตัว น, นี้เราก็เซ็งแล้วคือไม่ไม่ไม่ได้ทำเลยไม่มีความสุขเราท่านเลิกท<ม>ํา <laughs> เลิกทํ <laughs> าก็ทํามามากแล้วไม่เห็นอะไรดีทีแบบหมายความว่าพยายามแล้วก็เลิกทํา เนี่ยตรงเนี้ยจะพูดได้ฟังก็คือที่ลักษณะนี้ก็เรียกว่ามันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งนะสองตัวเนี่ยขี่หน้ากันมิทาแต่ความเซ็งกระซึมมันจะมันค่อยๆกัดกินใจเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็สั่งสมวิธีคิดตัวนี้เก็บก็บไว้แท้ที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เขาทำให้เรากระบวนการความคิดของเราที่ผิดเนี่ยทำตัวเอง คนอื่นจะทําให้เราไม่ได้เพราะเขาอยู่นอกตัวเรามันอยู่ที่กระบวนการคิดของเราต่างหากที่มันไปคิดไปคิดแล้วก็มันไม่ปลื้มไม่ปลื้มใจไม่ไม่ไม่ภูมิใจในพฤติกรรมของเขาแต่การมันมันบันบันทอนความรู้สึกขตัวเองตลอดแล้วก็จําความรู้สึกนี้ไว้แล้วก็หมุนบันทอนไปเรื่อยๆบันทอนไปเรื่อยๆบันทอนไปเรื่อยๆมันบันทอนมานานมากนะเข้านะเข้ากลายเป็นสนิม ที่มันเกาะกินกัดกินใจตัวเองแล้วเขาก็ผูกก่อนไความรู้สึกแบบเนี้ยเมื่อเราทํามากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นคนที่แก้ไขได้ยากแล้วก็แก้ไขได้ยากก็คือว่าแปลว่ามันปรุงแต่งี้มันปรุงแต่งจนปรุงแต่งซับซ้อนซ่อนเงื่อนทําลายกระบวนการความรู้สึกของตวเองจนจนจนจนั้นจนกลายเป็นความชํานาญสะสมเลยเนะี่ย ฉันยึดที่ว่ามีความชานาญอย่างมากในการทําลายตัวเองแบบเนี่ยปูนแต่งเบียดเบียนดิบพันตัวเองจนการคนหดหูดเ่เดงแต่ข้าแต่ข้าก็กลายเป็นว่าถ้าพูดเรื่องนี้ไม่ต้องเอาอะไรมันนะั่นมันกลายเป็นว่ามแม้แต่ทุกวันมันก็เป็นอยู่เราไม่รู้อเราแต่ในความรู้สึกของเราเราคิดว่าเจ้าคนเนี้ยทํำลายเราคนค น, คนเนี้ประทุสร้ายเราคนคนค น, นี้เบียดเบีย น, ยนจะพูดให้ฟังเลยนะว่าไม่มีใคร ทำลายเมันไม่มีมันเหมือนในใจของเราถ้าเราไม่เปิดประตูใจเราแล้วปล่อยให้ความรู้สึกที่มันไม่ดีเข้ามาอยู่ในใจเราแปลว่าเราเป็นเปิดประตูทำให้อิขโมยเนี่ยทําให้โจรเนี่ยมันเข้ามาในบ้านเราแล้วไอโจรตัวนี้มันก็มานประยุสลายเราเลยแค่ยิงวิธีการให้ให้สลัดให้จัดการไอตัวนี้ออกแล้วก็ล็อกไม่ให้มันคไม่ให้ความรู้สึกพวกนี้ก็ พอมองเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต่างหากเป็นผู้ทำหลักที่ประเด็นก็คือว่าเอาแล้วเขามีส่วนไหมคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยเขามีส่วนไหม <c oughs> เขามีเป็นแค่ปัจจัยข้าง น, นอก <c oughs> เขาไม่สามารถจะมาคว้าความรู้สึกของเราเออกมาไปใส่ได้ยัง ไ, ไม่สามารถยินใจของเรามาเฮ้ยเอาตังนี้หยอดเข้าไปอันนี้หยอดเข้าไปมันไม่ใช่มันเป็นน้มาทํานี่มันทําไม่ได้ไม่ทำอย่างนั้นได้แต่พฤติกรรมเขาทําแล้วเรา เราก็ไม่ชอบใจก็จเอามาปรุงแต่งเล่นงานตัวเองตลอดเลยเขามอ ง, อ ง, องเห็นที่ยานเดนี้วิธีการเขาทำยังไงถ้าจะไม่ให้คนอื่นมามีอิทธิพลในใจเราเมื <c oughs> ่อกี้มันเกิดจากความคาดหวังใช่ไหม <c oughs> จริงไมหมเองเราคาดหวังไนงะเราคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นี่แปลว่เราคาดหวังแปลว่าอะไรแปลว่าเราไม่ได้ไปรู้ความจริง ทำไมเราไม่ใช้ปัญญาขึ้นมารู้ความจริงว่าเขาเป็นยังไงก็เข้าใจความจริงเลยอ๋อเขาเป็นอย่างเนี้ยเขามีบุคลิกภาพแบบนี้มีสภาพจิตใจแบบนี้มีทัศนคความเห็นแบบนี้มีวิธีคิดแบบนี้นี่คือความจริงใช่ไหมแต่ความเห็นของเราเราอยากให้เขาเป็นอย่างนี้ออะไรแต่เช่้ยมันเรียกว่าอย่างไความจริงกับความเห็นไม่นเข้าเ ป, ป็ระทะกันทุกครั้งเลยใครชนะ ความเห็นชนะหรือความจริงชนะความจริงชนะใครทุกความเห็นก็ทักเพราะมันไม่เห็นไม่ตรงไงทำไมเราไม่พัฒนาปัญญาให้เขาไปเห็นตรงๆรงใช่ไมันเป็นอย่างนี้ก็ให้ข้อมูลความรู้กระจายเสียว่าเขาเป็นอย่างนี้นี่คือเขาเนี่ยพฤติกรรมยังไงก็เป็นอย่างนี้สภาพจิตใจเขก็เป็นอย่างนี้ทัชนะความเห็นเขก็เป็นแบบนี้พอเข้าใจความจริง ทุกขั้นตอนทั้งบุคลิกภาพทั้งจิตใจทั้งปัญญาทั้งทัศนะคติเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้พอเข้าใจานี้ไม่พอไปเข้าใจสาเหตุที่เขาเป็นด้วยที่เขาเป็นมีเพราะอะไรถ้าปัญญาลราพอยังไม่ก็พัฒนาสิพัฒนาปัญญาข้อมูลความรู้ไปเรื่อยๆว่าที่เขามีพฤติกรรมอย่างนี้เพราะอะไรมีจิตใจแบบนี้เพราะอะไรมีทัศนะความเห็นอย่างนี้เพราะอะไรชัดไหมเงี้ยออาพอรู้แค่นี้พอไหมพอแล้วยังไม่พอแล้วเขาต้องรู้ว่ามีความต้องการไหม มีความต้องการเนี่ยเขาเปลี่ยนทัศนคติหรือมีมีความเห็นตามที่เราต้องการไหมแล้วก็วางจุดหมายเขาไว้เมื่อวางจุดหมายแล้วโอแล้วมีวิธีการไหมไม่ใช่ใช้วิธีการเดิมแล้วแต่นี้ยวิธีการแบบไหนที่จะทำได้โอ้จะมีปัญญาพอมันก็จะวางวิธีการเอแผนที่หนึ่งได้ไหมแผนที่สองได้ไหมแผนที่สมได้ไหมแผนที่สี่ได้ไหมแผนที่ห้าได้ไหมไม่มีก็แผนที่หกที่จ็ที่แปดสมมุติเดี๋ยวเลยเหมือนกับนี่เลยเหมือนไฟไหม้เหรอนี่ใช่ไหมไฟเนี่ยปริมาณไฟมันแค่ไหน ต้องไปดูแล้วอ๋อไฟนี่มันเป็นปัญหาแล้วไฟไหม้เนี่ยอะไรเป็นสาเหตุทําให้ไฟไหม้มันมีเชื้อเพลิงมันมีปืนมันมีน้ํามันมันมีหญ้าแห้งใช่ไหมแล้วปริมาณไฟมันลุกมากน้อยแค่ไหนอ่ถ้าเราต้องการให้ไฟมันดับต้องไงโอ้โหต้องวางจุดหมายอะไรใช่ไหมทีนี้วิธีการอะไรเนี่ยร<ม>จะใช้แบบไหนเนี่ยจะใช้สารเคมีจะใช้รถ ด, ดับเพลิงจะใช้น้ําฉีดหรือจะใช้กระแผงอะไรก็ดูปริมาณ มองออกไห้แต่เนี้ยมันวิธีการมันสำคัญแต่ทั้งหมดเหล่านี้เพราะอะไรหนึ่งเราไม่ไรู้ความจริงพ่อแรกไม่รู้ไม่รู้ปัญหาสองเหตุสามไม่ได้วางเก็หมายเขาไว้สี่วิธีการเราก็ทําเดิมเดิมซ้ำซ้ำซากๆแล้วก็ผสงกับวิธีการเขาก็เป็นเก้าอนนี้เราก็ทำของเราอย่างนั้นอยู่ตลอดเห็นไหมจริงๆแล้วเราเราไม่ได้ใช้ข้อมูลความรู้เราเอาความผิดล้วนๆ เ, เริ่มเข้าใจยัง ยากไหมยากอยู่ที่ท่านอาจจะเปลี่ยนพวกเราได้ฉันว่ายากตรงนี้จริงๆฉันรู้แล้วว่าบางทีพยายามหน้าพยายาหน้าไปแต่ใดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะฉันเข้าใจว่ายอมเป็นคนมีวิจิกิจชาอย่วิจิกิจชาคือสงสัยไอ้ความลังเลสงสัยตรงนี้ มันเป็นความอ่อนแอทังด้านความเห็นไม่กล้าเดียวเป็นคนไม่เคยกล้าไม่กล้าเปลี่ยนตัวเองกลัวอัตราตัวตนกลัวอัตลักษณ์ตัวเองมันจะหายไปเป็นคนไม่กล้าถ้าถาท่าก็เรียกไม่กล้าหา้พูดให้ลึกลงไปก็เรียกไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นความดีไม่เชื่อมันมมอม่นบุคคลที่เขาเปลี่ยนได้มันมีจริง ไม่เชื่อมั่นหลักการที่บุคคลที่เขาวางหลักการไว้ว่าจะสามารถเดินตามหลักการนั้นจะสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ขาดความเชื่อและไม่เชื่อมั่นก็มีคนแบบนี้จริคือมีคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงยังไหมทั้งหมดขาดความเชื่อมัน่นและที่หนักกว่านั้นก็คือไม่เชื่อมั่นตัวเองว่าจะทำได้ไอ้ไม่เชื่อมั่นคนอื่นก็ระดับหนึ่งแล้วนะไม่เมื่อชั้นไม่เชื่อมั่นหลักการที่จะดําเนินไปสู่ความเชื่อมัน่นแค้อีกระดับหนึ่งนะ แล้วก็ไม่เชื่อมั่นว่าจะมีคนเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมดำเนินตามเส้นทางนั้นเปลี่ยนแปลงได้และที่หนักไปกว่านั้นก็คือไม่เชื่อมั่นตัวเองว่าจะทาได้อ้าข้อไหนหนักทีสุดหนึ่งเ <c oughs> ชื่อมั่นไหมว่ามีคนมี <c oughs> มีคนอื่ <c oughs> มนนะมีบคุบคคลที่มีบุคคลต้นแบบระดับพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นเชื่อเชื่อมั่นหลักการที่พระพุทธเจ้าวางไว้ไหม เรื่องทำมาเชื่อมั่นไว้มีกลุ่มของสังฆาที่เขาฝึกตัวเองได้จริงๆมีทั้งทั้งคารวะนี่ก็เลือดหัดมีทั้งนักบวชนี่ก็เลือดหัดเชื่อมั้ยแล้วเชื่อมั่นตัวเองว่าจะสามารถฝึกตัวเองเข้าไปถึงการเปลี่ยนแปลงเชื่อแต่แต่ยากมันต้องใช้เวลาเหมือนกับแบบต้องฝึกมึงพ้นฝึกจริงยอมคัดเก็ตไหมกว่ดยอมสามาก็เลยทําำผิวนี้แล้วทำได้ ยอมแต่ก่อนยอมยอมเริ่มมาชำนาญมีชื่อเสียงในการทำอาหารเป็นเชฟเป็นอะไรเนี่ยยอมมาเป็นตั้งแต่ยุเท่าไหร่ใช่เวมาัา้่แต<ช>่ส อ, องปกัญญา้าบอกว่าทั้ง น, นี้นะให้อามานี้เป็นไงอะยอมกินยอมกินเชื่อไห ม, <S <S ไหมว่าตนเองจะทำอย่างนั้นเชื่อว่าจะทำทำข้าวอย่างป้อมล่ะฮะ ไม่เช um like um ื่อนี่เห็นไหมไม่พี่จะพูดอะไรที่จริงเนี่ยถ้าถามอย่างย้อนก็ย้อนเขาก็บอกว่าเขาทําได้แล้วเชื่อมั่นว่าเราถ้าทาได้มีวิธีอยู่มีหลักการอยู่มีข้อปฏิบัติอยู่มีแบบแผนมีอะไรเยอะแยะแต่เราตั้งความคิดว่าไม่เชื่ออันมันที่ไม่เชื่อว่าะมันเกี่ยวกับก็ตอนนี้ไงเพราะแต่ถ้าพูดในกรณีอย่างนี้คุณพอแบบทำมาหลายเรื่อง โดยที่มีความคิดว่าไม่มีอะไรที่เราทําไปได้ถ้าเราเรียมเต็มที่แล้วก็ทำได้ ค, ความความคิดเนี่ยดีแต่ให้ให้เอามาคิดในเรื่องนี้ด้วยว่าเราสามารถที่ฝึกแม้ทัศนคติความคิดของเราที่เข้าถึงความดีงามเป็นต้นเพราะตรงนี้สําคัญนะมนุษย์ที่ทําอะไรไม่ได้เพราขาดตรงนีพ้พุทธเจ้าบอกว่ายาดูมิ่นพูดพูดยาดียาดูมินเนเรื่องที่พูด แล้วก็อย่าดูหมิ่นตนเองบางทีเราดูหมิ่นคนที่พูดเน่อย่างเช่นดูหมิ่นพูเน้เจ้าที่ท่านพูดออกมาบางทีดูหมิ่นเรื่องราวที่ท่านบอกไว้ที่หนักไก้กว่านั้นดูหมิ่นตนเองมฉันทาไม่ได้เนยอันนี้หลักการตอนนี้เป็นหลักการไม่ประสบการสาเร็จในชีวิตเลยเดเนี่ยโดยเฉพาะดูหมิ่นตนเองแต่ถ้าคิดหมายว่าไปเชื่อมัน่นบุคคลต้นแบบ แระดับพุทธิยถาเชื่อมั่นหลักการพุทธิยถารู้จริงวางหลักการนั่จริงเชื่อมั่นกลุ่มสังฆาที่ท่านฝึกตัวเองเข้าถึงและเชื่อมั่นจนเองว่าเราก็จะฝึกตัวเองก็ถึงความถูกต้องดีงามได้อย่างแท้จริงและเราจะไม่หยุดในอันฝุกถ้าเกิดความเชื่ออย่างนี้เรียบร้อยมันดําเนินได้เลยมันอันนี้ไปได้ตั้งห้าเปอร์ซ็นตแล้วเนี่ยถ้าแค่เชื่อเชื่อมั่นเลยแค่วันเนี้ยเชื่อตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันมันพัฒนาจากจากที่มันต่ำกว่าห้าสิบมันขึ้นมาห้าสิบเลย แล้วก็ตอเลยดิแล้วยังไม่ตกกว่าห้าสิบแล้วใครมัจะตอลงมาดิถึงห้าสิบไมยังเนี่ยพาพูดจนเหนื่อยแล้วถึงเนี่ยพอถ้าทาไงแม่มันให้มันพัฒนาขึ้นเดี๋ยวะรกรักร จะต้องแาบว่าเขาพูดว่าบัสมันใช้อ